บทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องนบีฮูดอลไยฮิสลากับกลุ่มชนอารซึ่งแสดงความโอหังตามหัวเมืองต่างๆที่มีกำลังแข็งแรงแต่ผลสุดท้ายของพวกเขาถูกทำลายล้างด้วยลมพายุพัดกระหนำ่ำอย่างหุนแรงทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนพวกปฏิเสธชาวกูเรชให้ระมัดระวังความเกลียวกรา่และความหยิ่งยโสโอหังต่อข้อชายข้อห้ามของอลัลลอ และการที่พวกเขาปฏิเสธ ต, ต่อท่านรอตูลลอสลลลอหัวลายอัสสล บ, บทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของพวกยินจำนวนหนึ่งซึ่งได้มาฟังการ อ, าอร่านอัลกุรอานและพวกเขาก็ศรัทธาและได้กลับไปเตือนกลุ่มชนของพวกเขาเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การศรัทธาท่งนี้เป็นการเตือนมนุษย์ผู้ดื้อรั้นให้ตระหนักถึงการนำหน้าของพวกยินก่อนพวกเขาในการเข้ารับนับถืออิสลาม บทอัลอะกอฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะว่าอัลอะกอฟเป็นสถานที่ของกลุ่มชนอาดซึ่งอัลลอ์ทรงทำลายล้างพวกเขาอันเนื่องจากความดื้อดึงยะโสโอหังที่พำนักของพวกเขาอยู่ที่เมืองอลอะกอฟในประเทศเยเมน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอฮามีมฮามีมท่นซีนุลขิตาบมินอัลลอฮล ع ز ี ز อัลฮะติมคำพินินี้ได้ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณมะฮัลลัคุลสัมาวะติวัลับบะมะเบยนัมมั ก็วาัรรเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใดเว้นแต่ได้ความจริงและตามวาระที่ได้ถูกกําหนดไว้แต่บรรดาผู้ปฏิเสธสัทธานั้นเป็นผู้ผินหลังให้จากสิ่งที่พวกเขาถูกตักเตือน قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شذق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة จงกล่าวเถิดมวัวหมัดเพราะพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากองลอจงแสดงให้ข้าเห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าจงนำบรรดาคำภีก่อนหน้านี้มาให้ข้าดูสิหรือจงแสดงร่องรอยแห่งความรู้ที่เป็นหลักฐานยืนยันในการนี้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 หรือพวกเขากล่าวว่าเขา m u h a m m a ได้ปั้นแต่งอัลกุรอานนั้นจงกล่าวเถิดม u h มหมัดว่าถ้าฉันได้ปั้นแต่อัลกุรอานขึ้น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 ก ل ่ ر เราย์ตุมอินคารมิน عياد อีลลาฮีวกับฟัลตุมบินแะ شهدشاهد ุมมิน بني อิสราเอล علىمثلهفأمنوأستفظت ุ مإناللهلايهذلقومالظالمين จงกล่าวเถิดมวฮัมมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือ วาทาอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์และพวกเจ้าปฏิเสธมันทั้ทงทั้งที่พยานคนหนึ่งจากวงวานของอิสรานเป็นพยานต่อลักษณะเช่นเดียวกันกับคำพีเ ต, ตารถแล้วเขาก็ศรัทธาแต่พวกเขายังหญิงยะโสถ้าจริงอัลลอะ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม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 ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่านี่คือการโกหกเดิมๆนั่นแหละวมอบนกัตบซาอิมามวาห์มนแะตบุมัิุลิซาละอรบีัลลรัลลดีนลแะบชรลลมุซนแต่ก่อนหน้าอัลกุรอานนี้มีคำภีของมูซาเป็นแบบอย่างและมีความเมตตาและนี่คืออัลกุรอาน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 ووصين الإنسان ب و ا ل د ي ه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كبها وحمله و ف ِ ص ا ُ ه ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال และเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้กระทำดีต่อบิดามารดาของเขา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 คนเหล่า น, นี้คือบรรดาผู้ที่เราจะรับส่วนดียิ่งจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิบัติไว้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 วะห์ يستغيثان الله و ل ك م ن ن وعد الله ح ق فيقول ما هذا ل ا س ا ط ي ر ا ل و ل ي ن แลวผู้ทีกล่าวแก่บิดามารดาของเขาว่าอุ๊แก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองขู่ฉันว่าฉันจะถูกให้ออกมาฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือ ทั้งๆ ท, ที่หลายศตรวรรษก่อนหน้าฉันได้ล่วงลับไปแล้วและเขาทั้งสองร้องขอความช่วยเหลือต่อโลกลางกล่าวแก่ลูกว่าความหายยะนะจงประสบแก่เจ้าจงศรัทธาเถิดแท้จริงสัญญาของอลอร์ น, นั้นเป็นความจริงแล้วเขาก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นนิยายสมัยโบราณเท่านั้น أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. คน ل หล่านี้คือบรรดาผู้ที่พรแห่งการลงโทษ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 และพวกเจ้าได้มีความสาราญกับมันแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าจะรับการตอบแทนด้วยการลงโทษอันอับปย์เนื่องด้วยพวกเจ้ายิงยะสโสในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมและเนื่องด้วยพวกเจ้าทําชั่ ว, ว จงลำลึกถึงฮูดที่น้องคนหนึ่งของเผ่าอาจขณะที่เขาเตือนกลุ่มชนของเขาที่เนินเขาอะฮะกอบและแน่นอนบรรดาผู้ตักเตือน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 ท่านมาหาพวกเราเพื่อจะหันเหพวกเราออกจากการเคารพภักดีพระเจ้าทั้งหลายของเราการะนั้นหรือดังนั้นจงนำการลงโทษตามที่ท่านได้สัญญากับเราไว้หากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริงเขาพูด คลาว่าถ้าจริงความรู้เรื่องการลงโทษนั้นอยู่ที่อัลล่ะแต่ฉันขอประกาศแก่พวกเจ้าตามที่ฉันได้ถูกส่งมาเพื่อการนี้แต่ฉันเห็นว่าพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้โงวกเขาถ้าลัมมาร أ ้วอาริฐมมุสตกบิลอาวดิยทิ่มคาลูหามาอาริฐมมมติรนาบัลหวมสต่อจลทุมบิน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 ك ذ ا نَلَهُ، م َ ا ك ك ُ و ج ع ل ن ا ل ه م ْ ع و َ د ْ ا َ وَالْعَدْلَ أ َ ع ْ ل َ م م ِ ن َ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 แต่ว่าหูตาและหัวใจของพวกเขามิได้อํานวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาปฏิเสธองค์การต่างๆของลเราและสิ่งที่พวกเขาได้เคยเยาะเย้ยไว้นั้นก็ห้อมล้อมพวกเขาแล้วแน่นอนเราได้ทําลายหมู่บ้านที่อยู่รอบๆ พ, พวกเจ้า และเราได้แจกแจงสัญญาณต่างๆหลายครั้งหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสานึกผิดทำไมบันดาลที่พวกเขายึดถือมันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์เพื่อความใกล้ชิดกับพระองค์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 พวกเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของเรา ถ้าจึงเราได้คังคำพี่อัลกุราณถูกประทานลงมาหลังจากมูสาเป็นการยืนยันในสิ่งที่มาก่อนอัลกุราณเพื่อชี้แน่ทางไปสู่สัจธรรมและแนวทางที่เที่ยมตรงยาควมนาอีบูดาอัลล้าิวอามินูบิฮยักฝิรละคุมมินดนูบิคุมวอยุจิรคุมมินอดาบอดีน โอกลุ่มชนของเราจงตอบรับตอบผู้เรียกร้องของอัลลอฮ์เถอะและจงศรัทธาต่อเขาพระองค์จะทรงอภัยความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้ารอดพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปจจริง S <S และผู้ใดที่ไม่ตอบรับข้อเรียกร้องของอัลลอฮ์เขาจะไม่รอดพ้นจากการโลงโทษในพันธินมีและสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจากพระองค์ นเหล่า น, นี้อยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งและพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงเลาทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้และมิทรงอ่อนเพลียต่อการส ร, าสร้างสิ่งเหล่านั้นย่อมทรงเป็นผู้สา ม, มารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นใหม่แน่นอนแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงเดชาลุกภาพเนื้อทุกสิ่งกอมรดีาบบบว ลลบบลและ ว, วันซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่ไม่ใช่ความจริงดอกพวกเขากล่าวว่าแน่นอนครับขอสบานต่อพระผู้อภิบาลของเราพระองค์ตรัสว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษตามที่พวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธา فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ن ه ا ر بلا غ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فلنسأتون คนดังเช่นบรรดาผู้ตั้งจิตมั่นจากข้อศูลทั้งหลายได้อดทนมาก่อนแล้วและอย่ารีบเร่งให้มีการลงโทษแก่พวกเขาวันที่พวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แก่พวกเขานั้นประหนึ่งว่าพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่หนึ่งของกลางวันเท่านั้นนี่คือคําประกาศตักเตือนดังนั้นความหายาณจะไม่ประสบแก่ผู้ใด นอกจากกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืน